ต่อไปจะได้บทสวด บ, บทเทวธรรมฮิริโออาปาสัมปันนาะสุกัธรรมัสมาจิตาสันโตสาภุริสาโนเกเทวธรรมราเตียวจเรม